กคกระาศนาว่ามีนนประตูท่เโกถ้าว่าข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใดๆขอแย่งข้าพเจ้ามีรถเลยข้อนึ่ข้อสองข้าพเจ้าเกิดมาในชาติใดๆขอย่งข้าพเจ้ามีรัพบัติเลยค้อที่ประตูไ่เป็ น, น, ปนไงตอบไหมงี้ยนนก็ประกาศถูว่า ได้แต like ่ไม่อบแต่มันเล็กเลาะจุ๊ถัดเต็นลํำเลยนะเออที่ฝ่าออกไปได้ลเนี่ยถัดเต็นล้ำใช้ไหมวังทางเราทีจะเดินไปนั่นน่ะถ้าเราพิจารณาอย่างบุคคลธรรมดาเราก็ไม่ชอถ้าเราถ้าเราพิจารณาอย่างที่ตึ้งอย่างนักปราชญ์เราก็อบหละอืมท่านว่าเผยมาในชาติใดก็ยังพาไปจำโยตเลย มันจะมีแนแหละแต่วางมัน้ไม่ให้มันวางทางเราไม่ให้เจ็ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนนี่ขอให้พระอาจารย์มีทรัพย์สมบัติเลยมันจะเป็นเศรษฐีก็ได้แตจะไปถือมั่นถือรั้นมันเลยก็เป็นคนม่มีทรัพย์นอนในกองทัพก็ไหนจะไม่มีทรัพย์ถ้ามีทรัพย์ไปยึดมั่นที่มันเ็นทุกข์ความมมีรจะให้มันเป็นทุกข์มีทรัพย์สมบัติแให้มันเป็นทุกข์เนี่ย ถคิดอย่างนี้สบายใจเลมั้มีคิดพิจารณาอย่างอย่างนักกาดกันต่งนั้นีเยอะรก็วางในในดาีัสมบัติรวางในดาบือือในเยอมั่มนถมั่นมันเป็ในไปถเราเป็นทุกข์อย่างนี้มันชอบนีหละธรรมะถ้าเราฟังในถูกฟังดนึันไปในรูปอันหนึ่งนนถ้าฟังในให้ัให้เยอะมวงทางเต็มลำนะ ถามมีอันจะพูดสิปากอ า, างระทั่งจะเดินไปนั่นเนะาะปิดทาเร า, าจะได้ถ้าเราริ่มจากธรรมะอะไรมันสบายมีลาบมีรถเนี่ยมันจะมีเป็นมาอะไรก็วางอย่าไปแบกมั น, ปนเป็นครัววะตนยของตเป็น้อยเปอร์เซ็นใหรทธิวเว่าเป็นปัจจัยจที่เราอาศัยอยูรอบคราวที่เมื่อวันจะไปจากกันไป แต่ทำให้เราเป็นทุกข์ให้ยึดถึงความพอดีแบบรากยึดสันตินั้นให้เชื่อเจ้าของเองถูกเขาดินทาก็ให้เชื่อเจ้าของถูกเขาแจ้งกระเสินก็เชื่อเจ้าข อ, องไว้บางคนถูกเขาดินทาแล้วโกรธเลยไม่รับฟังอะไรเลยของดีๆเยอะนั่นมีอยู่ทําไมไม่เอาละ่ะเขาดินทาถ้าเราไม่ดีเราดีดีไมหมเราควรรับฟังถ้าอะไรไม่ดีตอนเราไปาแยกมันออก นะเขาเรีนนะอะไรนั่นฟังยินนั้นเนบางคนแต่เขามีทานในรับฟังเลยนะโกรธท่าเดียวเลยนั่นจือคนรจะมีปัญญานทานักบ่าแต่นั่นแหละเขาสอนเราเพราะว่าเราไม่ดีจะมีอะไรบ้างไ ม, ไม่ดีไม่ดีนั่นมีไหก็ควรดูเห็กคนมันอาจจะมีก็ได้นะอแต่เรามองไม่เห็นมันต้องพิจารณานถ้าเห็นที่ว่าโอ้มันไม่ไวแลราต้องไปเบื่อมันหอก อันนั้นคนิดมทามีปัญญาแล้วก็โยชน์ประโยชน์ในที่มิลทาเข า, นานเนี้ยมันมีเยอะแต่เราก็เคยพิจารณากันที่มีสัูกกันเสือเน่ยชอบชอบอะไรเสียกันแตเสแล้วก็ดูที่ทีเขาอะไรดีเนะี่ยมันดีตรงไหนถูกหรือไม่บางทีเพาว่าดีเพราะชอบกันเสือเองนี่เป็นวดีงี้แล้วชอบกันต้องเพาว่าดีตรงนี้ถ้าความดีตรนี้เนี่ยตอนนี้ไปถ้าเขาว่าเราดีแล้แวเนี่ยไอ้พ่ไม่ดีอรตรีอยู่ก็จะติเสือเขา นะเนาอหลังเราก็สร้าง น, นั้นเป็นเฮมันดีเฮมันพอใหรือไมสวัสดีนั่นเนี่ยเพรานั่นคนถูกยิ้มาคนถูกเป็น่นเสร น, นั่นถ้าคุมีปัญญาและปฏิบัติมีกำไรให้เข้าว่าได้เรื่อยสบายอี่างนั้นมันจิตเดือดกระจียจิตีดีอืมนะอย่างนี้ที่สุดตัวทองยินะ้มพาะยิ้มาถึงตื่นใจะเพรเป็นนั่นมันมีจิตมันลึกมันสมด่งดิบไม่เคยมองดูตัวถ้าเข้าว่าม่ดีเรนะื่องยิ้มพาเป็นข้อองมาคิด ปัญญามันจะเติบขึ้นน่งอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มอคนมาให้เราควรรับฟังรับทาทั้งสองอย่างเรยียกเกษตรทั้งสองอย่างต้องยินทาเราก็ขอบคุณว่าในใจของเรานะเขาได้เติบเราก็จะขอบคุณมากไม้พูดถึงปาดออกมาเพราะว่าในใจเราอืมเนียเพื่อเราจะได้รู้ตัวของเราข้าปาดท่านอสอนอย่างนี้อืน ค, นคนที่มีปัญญา จงรับเอาความรู้ทั้งสองอย่างที่มันเกิดมาคนไม่มีสัญญาจะไปรับเอาความรู้ในที่เขินทาในที่เขาเติมเต้นเนี่ยถ้ากราศึกษาธรรมะเราจะรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ปัญหามันจะน้อยลงน้อยไปน้อยไปตรงมาจะหมดไปนักที่โตเป็นอินทรีย์โตคนไม่สูญท้าในนี้ในโลกนี้เขาจะไปสอนไปที่ไห น, น, น, นก็ในคนเพราะงั้นเราจะไปเชื่อองค์หมายในที่เขาเสนอเสริมเราเราคนยินทาเราเราคนเชื่อตัวเรา เรายังไม่ดีเพราะว่าดีเป็นเรืองเียเพราะเราอยู่ในเราถ้ามีชาเราว่าไม่ดีก็ไม่มีอะไรเป็นรองเียวกับเขาจะกบฏมันไปก็ไม่ดีทั้งอย่างถ้าคนเราคิดอย่างนี้มันก็ปัญหามันก็น้อยมีสบายมีสบายอยู่ในธรรมะก็ไม่มีอะไรมันมีใครเราดูตามริแล้วก็มีแต่เรื่องเเหตุเศึกษาทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติเรจะต้องมาศึกษาศึกษ า, กษาตามธรรมชาติทั้งนั้นก็รู้ว่าจะเกิดวเป็นจรนิงกันแ้วแหละมีความจริงกันแล้วจะได้อยู่ในโลกอันนี้เราไม่รู้เรื่องของมันเราไม่ได้จับเอามีจะเกิดอันนั้นสอบอันนี้ไม่สอบอันนั้นเราสุขอันนี้เราทุกข์อันนี้วุ่นวายธรรมชาติทั้งหลายสอนเราทุกเวลาทุกเวลาอย่างของเจริญรักเราแพงอย่างทีวัตถุหนึ่งเจริญรักมันมากมันจบเพราะเราไปรักมัน ถ้ามันพูดเป็นมันจะพูดอย่างนี้ว่าท่านอย่ามาจะเป็นอย่าอย่ามาเป็นเจ้าของของข้าอย่ามาเป็นเจ้าของของข้ามันจะเป็นทุกข์มันจะต่อหนี้ทุกเวลาวัตถุอันนั้นเนื้อมันพูดไม่ได้มันพูดไม่เป็นแต่มันแสดงอาการแตกอาการหักอาการพังอมอาการแตกอยู่ตรงนี้เฉลี่ยก็น่าทีว่ามันเอีใยกลัวเลยจะไปยึดมันถือมันมันยิงเลยแต่เราก็ไม่รู้จักมันแตกเราก็เศ้าใจ มันไมแกเราไปใจเราบาลเรื่องนี้ไอ้คนเด็กกินเรไม่รู้จักธรรมชาติมันร้จักธรรมชาติมัยธรรมะเลยสบายจะอยู่ในฐานะอะไรก็สบายจะเป็นใหญ่เป็นโตก็สบายเป็นต้นจะเป็นเพเมันก็สบายถ้าเราคิดถูกแล้วมันก็สบายถ้าเราเป็นเด็กอยากจะเป็นใหญ่เนี่ยเหมือนที่เราอูถ้าอยากเป็นไหญ่นี่เรามันจะสบายอ่ะเป็นใหญ่ตัใตดจัง มัหบังนี่บ้างกานงานมาสึงมันก็ไม่เอยสบายเหมืนนอนเราเป็นเด็กเราไปตามไม่ะบายเราอยู่สําไม่ส 3, มู้ถ้าสูงเกินไปแล้วก็ไม่สบายกลัวมันจะนลงมา <c oughs> มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราคิดในถูกธรรมะถ้าเราคิดคิดถูกธรรมะแล้วก็ไม่มีมมสูงไ ม, มมีต่ันก็จะเป็นธรรมชาติปัญหาเมื่อก็นอ้องไม่ดงอยู่ในฐานะวาา่าในฐานะธรรมนะัฐในฐานรรนะอคชาในฐานะประก า, ารบางอย่างทุกส่วน ก็เป็นทัน้องถ้าเราคิดถึงธรรมะเมื่อไรใจเก็สบายพระพุทธเจ้าถึงพ้นดูไปที่พ้นจิตส่วนจิตตัวของเราเนี่ยนะมันจะไป็ความสบายมั่นคงอนความเห็นนี่มันมั่นคงในความเห็นที่ถูกต้องมันมั่นคงไอ้วัตถุที่ในตัวของเราแลนอกทายของเ้ามันเปของที่มั่นคงจะนตัววัตถุเรื่องอันุีจังตัวรังในฌานเป็นเรื่อของที่มันคงยึดหลักอันนี้เป็นของที่สำคัญมากนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราที่จะสอนมาเลย สอง0ันห้าร้อยตัวปีมาแล้วแต่จะทำอันนี้ยังตั้งมั่นอยู่ไม่หายไปทไหนเลยที่จะีว่าฉทําทำดีก็ดีทางชั่วปฏิชั่วเป็นต้นถ้าคนฟังสูกหนังม่นยังถูกอยู่นะถ้าคนฟังไม่สูมันก็ไม่ถูกนะแนวคนนั้นทำสวยทำไมเงี้ยเลยดีางทีความดีมันชั่วเป็นต้นอันนี้มันคือเรียดแังหาเพื่อทาดีมันก็ดีขึ้นนะคนไม่ให้ดีไก็เป็นเรื่องะไ เราทำไม่ดีอยความดีนี่ก็เดีรานันคนไม่ห้รดีอยเันก็ดี่ามดีอแล้วันเป็นเร่องใหญ่มันเร่การเราเสี่ยตัวของเราแล้วก็ทดีอยู่ถ้าเาไม่ดีก็ยอยู่แต่เราทไม่ดีอยู่ถ้าเดีกมัเี่ยเไม่สบายย่ตัวของเราจไปเี่ยตัน่งเอาของไปฝากถ้าจะดีมันยถ้าจะได้คนจะเห็นความจริงของแต่ของจริง มีหลักฐานมันเคงที่จะต้องอยู่ น, นี้เป็นธรร ม, มของข้เทจจเจ้าของเราธรรมาของบวเจ้าของเราข้อเท็จของเราเลยเของบวิจเ้ารเราเราอามาปฏิบัติไทยปฏิบัติมันกจะบานนี่แกันหาได้ทุกอย่างนนถึงเววม้จะในติดเชื้อไขน้องแม้ว่คิดถูกถคิดผูกมังกรสบานบางคนเขาติบไขมาจะตายเรียกไม่ตายเนาะัวจะยังเอะ่ เป็นโตคนละตัวจะไม่หายไดตัวมันก่อนได้ทกก่อนแล้ไมเจองมไม่ได้หรอกบอกว่าแต่ตรงน้ว่าาวก็เอาเปนอีายถ้าต็อย่างท่ามันตายนองมันม่ได้ถึงพอมันไม่สบายกาต่อไมหาอย่างได้อยู่ตัวแล้ว็สบายเยไม่ไตกหอ ถ้าเราเจอปัญหาอย่าตกกลัวเจอเมื่อตายตกกลัวตรยต้องทกขน่เลยไปเลทุกก่อนเยคือคนมีธรรมเจอปัญหาในร่างนรับาอยู่ั่งเลยก็พูดยะจริงังไมม่ยอมใช่หมไม่นเอแต่การรมะยังไมแล้วก like no, so ็ะมีะเลือกธมังเยอะอ่ะ ไร่อยู่นนักสืบมาคันอะไรแบบนี้เดยวนี้ราทำอะไรอยู่เรารู้ไหมในเรล่องใดนะแรรู้ไหมอมอม้อนบ้านั่นแหละถ้าเราหนีออกจากบ้านเราไปในจิตตะตัวเราไปคิดในทันอืมคือนักสืมามันจะมากินข้าวสามหมด้นจะาอไม่อยู่นเม่มีมีสมมีจิตใจย่าไม่ควคุมจะาออยู่มาที่เพูดอะไรอยู่มาที่เราทำอะไรอยู่มนนี้เราคิดอะไรอยู่นี้ ก็ไปจงอยู hmm. it it so ่ปับตวของเราเฉยไม่คปทำกันเนี่ยมือนจะอยู่ในบ้านของเรา้วในบ้านขโมยนอนไม่รู้จะนอนอะไก็เลยอยู่ในบ้านแต่ไม่ได้มันแบบในนี้ถ้าขโมยเป็นมามันก็ไม่รู้เรื่องเราอยู่บ้านจะไปจะไปไปแยกของไปอยู่กระชิบหนี้ไม่รู้จับจอมันเต็มไปใหญ่เนี่ยมัก็ไม่รู้ยังไรเแี่ยจะทำสถิติมันมากแต่ไปแต่ที่น้องคนท้ายในบ้านนั่นนี่ทำน้องคนเราบ้ามันจะไปเรียกแต่ของบ้านมาเรียกมา สถิจริญรบได่จะไช่ความาู้ตรวนรมมาเด็กคนมสจะเป็นญาณรียกปัญญามาตรวจดูก็ี่เรา่่ที่น้ือโรงหนังเนีเนี่ยมันไม่้านก็ยมาันก็หมดขโมยขโของก็หมดไยิใจไม่ตายไม่ผิองเอสวน้นไม่คุ้มของเงินใของเราเนี่ยก็ไม่ได้นนไูใเนเรื่องของเก็บของทำในเรื่องของเอง คิใจเรารอยู่เรื่องั้นอั น, นใดกไม่ได้เรียองของเราม่ต้องลำบากานนเพะนั้นา พ, พูไปส้ากใจยือกที่รู้ตัวแ ต, แ ต, ตจต้อยูท่ที่ตัวโกอยู่หอยู่ตมทีาตัวอยม่อนายตงดนาแต่ก็จะเป็นโลภะทากันดีาใันพาให้มันกลับมาพานเหตการนี้เา พ, พูดไปส้า ง, งจังตามูคิดว่ตเอาจะบอกแบบไหนไป ปกติเพราะนั้นตอนที่นระวงังระวงัะวงเื่อการสงเวีระวังตาหูจมูกยิ้มกายถ้าไม่รับจ่ายสิงถิงนี้ถ้ารับประมาทแล้วมันเกิดความผิด<ม>ตึนมาแค่พูดคิดกระดะับดูดคิดกระดับฟังคิดกะดับติ้คิดกะดับี่เพราะเรา่ระวังไม่ีสิ่งนัะะ่นก็เกิดรุมเกิดมาม่มันเกิดรุ้มเกิดมาทมามันไเกิดเพราะคไามววายลยความจึงอารมณ์เดียวมันต้งไม่มี การมีส mm. ิ่งมันจะมีกูรักษาระวังอยู่ติดถูกเลยด้วยจักอยู่มันมีความติดต้อมติดมาเกิดเนสมาธิแต่เรายกยุ่าที่มันแยกยุ่นั้นมันจะเกิดสมาธิแล้วเนาะเมื่อใดจะมาแยกยุ่งด้เท่าทันนั่อยู่แล้วปัญญาเมื่อเกิดสิ่งนี้มาได้เนาะมันก็เป็นสิมันก็เป็นสมาธิมันก็เป็นปัญญาไปด้วยตัวมันเองเดินยังนิดเดียวเขาจะเจ้าอะไรเพราว่า ต้นแก่ไปไนนด้ต้นน่นไปแล้มไม่อยอดแต่เราแต่เราดูอย่างโลสึกเหมือนโลกสึกภาพก็ไม่ดูนิาว่าขาพูนเนี่วันนี้กูกีหงเลยเนี่ยวันนี้โกลกีขั้งเลยเนี่ยไม่อะมาทุกขัง้งจกในโลกมาทุกตลอดวันตกในโลกจะทังวันเป็นอยางนี้มีไปเรื่อยมาโลกวันนี้ตกในโกไม่เหมือี่สาวากันที่สาวันมีบางเมื ควนะงทุบเรือเนี่ยอะไรนั่นแหละั ม, มลมในนู้นพ่อเล็กคิดดีๆคิดดีๆจะมาทำควงตัวเรือจะมาทุบเรือจะมาดีอะไรนั่นแหละมาล็ ล, ล้วเรจะรู้จักเนายังไปมองไปอานนสื่อในโลกมนมีไหมนั่นก็จะควงลมในเรื่องนั่าล็ัน่นเนี่นี่เราะรู้จักมาล็อกนะถ้าเรามีความจิตใจหลวงประจว เป็นจักราาลายจักราอารมณ์มันกรเรือมังกสวันันเป็นอารมณ์ของสวรรค์ด้ตามภาพษุจริงโนสวรรค์เนี่ยมันขึ้นบ่อยๆลงบ่อยๆอย่างนี้มันคืสวรรค์มันคือในนรกกเนไม่รู้จักเรื่องของนรกไม่รูักเรื่องของสวรรค์ใครไมว่านรกก็ไปขี่ขึ้นนู่นี่อะไรนาะตรงนู้นเนี่ยเขาจะเปสวรรค์มองน้นนมันมีเรื่องที่มันีที่ไปโน้น แต่เราเห็นตัวเพื่อขณะที่มีตรงนี้ด้านปรามส์ประคำ้องีตรงนี้ดูอย่างเดียวจะเตัวเป็นเตล์เป็นลอยเป็นเขาเป็นโน้ตด a เป็นปรามส์จะตินกะเป็นเรื่องของจเรานดบางนอน้ามาุอารมณ์มีัญญานูมันจะเท่ากันอาจารย์จะกมันจะเล จะเรามายื่นลยหมาต้องเป็นงมูเป็นงนาเาลอ่ะมมันเป็นางนั้มันเป็นหยง่กมันมเป็นามันเป็นอย่างกมคืน่ต่ยมีัี่เออะูปหมูหมาเลยเลยที่แรง้มันเป็นอย่างั้นอันนี้มันเปลี่ยนของมันเปลี่ยนอนจังมันแน่นอนมันเปยทุกขังมันเป็นทุกข้าไม่ยาใมเปลี่ยนมันก็เป็นะเขมันเป็นอย่างนั้นใชมมันซ่อนกันอยูแต่มันซ่อนไ้ ทุกขังแต่เราถ้าเราไปผืนมันมันเป็นทุกข์เกิดมาพ่ออนาจาันไม่ควรเป็หมายมันพ่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเอตาก็แพร่กันนะเนี่มันไม่ใช่ยาที่เสพแต่ก็พอ้กดมันเป็นจิกจรันจิตใจคนแรกอันจาันจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยอนาจามันมาครอบเค็ีอวิชังก็ทุกขังอ่าอำาจามันครอบหมดเลมันไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่ตนมันทุกข์มันก็ไม่ใช่ตน ของไม่เจ็บวอันตรามันครอบเปนอย่างนะเรื่องทุกขังจะกลงอนนีจังมันของอยู่เพื่อของเ่จะทงนมันนะจะปดเียนมกเป็นทุกข์คิดดแ้ในของเ่มันะยต้องเหนของเือนในของเ่เไะเนรเป็อยมาันเ็นไมันเป็นอย่างนั้นเป็นเ่ ที่มันเป็นนั่นถ้าเรนดูเพื่อเห็เามันไม่เที่ยงอะเพื่อนถ้าของมันไม่เที่ยงมันจะมีไหของมันไม่เที่ยงแต่คิดยังไงแล้วมันก็มาอย่างนี้เที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงว่ามันไม่เที่ยงใจเจะมาเรียเออมันไม่เที่ยงของเที่ยงอะไรนิจังอันนิดจังอันิดจังของไม่เที่ยงนิจังคือของเที่ยงมันมันมันหอ้ามก็ดังมือเราคถึงหลังมือายไปแล้วนะอ่มันหายไปอยู่ในป่าหรมันหายไปข้างล่างนะอ่า มาท <Reform. S 2> you you you ุกข no ์มาดิหน้าเนี่ยจะหายแไม่หายติดใน่าเนยหายอยู่ข้างล่างไม่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถาได้เป็นทุกอย่างน้หน้าเนี่หลังเนี่ยไปที่ไหนะรองห้หมันหน้าเียรองห้หามนะไอ้กจริงมันจะพล่านทะเดินมันข่มีภาจงมันมีเีะนนโอไม่ตรงทะนของมัน้แล้วกก่ของมันเปลนอย่างกต่ยเลยมไปดงันที่ยงน่าคือสองิงเยจะ มันเป็นการอย่างนี้ตรงนี้เดี๋ยวเป็นคนผีนี่จะทงคนผีมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจีนมันจีนจะเจอของไม่อนะะมันจีนจะเป็นอย่างนี้มันจีนไม่นอย่างนี้ไม่จีนอย่างนี้มันจะเป็นอะไอย่างเียมันเป็นอย่างนี้การลาญนี่ก็หมดการเที่งในความไม่เท่นั่นเนีอันนจังความไม่เที่ยงอีกจังของมันเที่ยมันซ้อนกันอยู่มันซ้อกันไอ้นี้มันถึงความทุกข์ถ้าเราไปเห็นเ่งขอมันเป็นทุกข์เลย่ไครับ เราเห็นว่ามันขานเพื่อนแล้วก็ถุกแล้วะเรบไปยึดมันถือมันและใช่ไหมครับได้แต่นคุณมรกาบแล้วแล้วยังไงมันถึงจะทิจนาความเห็นมันไม่เพี้ยนมันกลับกันยังอีกคือเราเราไมอยากไม่อยากจะให้มันกลับวรามันเป็นของเพี้ยนเขามันกลับไปกลับมาเรื่อเราอยากให้มันเสยเยอย่างนี้เดี๋ยววันจะเอาเสี้ยงตรงนั้นทีนี้เราเห็นมันเพี่ยนคือมันอยู่อย่างนี้มันเพี้ยนตามิธของมันมันเอย่างนี้มันจะม่เกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ อันี่ยงเราทำ่ก่อนแล้วคอยเจอกนมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องอะไรตรไหนเลยเนี่ยเรื่องตรงนี้เหยียกว่ะเราจะเดิตามอานาจใจของเราของใ้นไม่ใช่ของเราตรงนี้ที่มันมเปเครื่องคือมันไม่ยงนี้ไม่ได้จะเห็นมันเป็น่นี้ยงมันจะโยงนี้งงนนนปล่อยมครับเจ้มันเป็เคื่อ<ม>แล้วมันจะเป็นขอ้อเกี่ยงอย่างนี้มันจะเป็นข้อเกี่ยงอย่างนีคือเครื่องมันจะยอมเป็นอย่างนี้มันจะยอมเป็นอย่างนี้แม้ตอนนี้มันก็จย่ำากันน ะ, ะั จังจังไปนั่งไงมันเกิดเป็นความสงแม้ผมคิดมานานเนี่ยคือคือคือคอนคิดอย่างนึงคนคิดเจนจาอย่างนึงนั่งตรงนั่งเป็นนั่จะมีมีเป็นความอิดนะฮะก่อนนี้เริ่มเต้ยไ้คนคิดมันเป็นสัญญาไม่เป็นมันเป็นต้นมันเป็นหีดมันคันคิดยัอยู่แต่เราบอทำสมบูรเวลาทำสมบแล้วก็ทำไม่สมบูเมื่อข่าวการเจรจาครุบเราไม่ใช่จองการอย่างนั้น อันนั้นมันคือคนคนหนึ่งมาแสดงตัวอยู่ในที่นันที่สงบนั่นเราเป็นคนพุทธิมงรลเราฟังจิตเตอร์ฉะนั้นน้มันปรากรับขึ้นมาเลยนั่นเรื่องารพิจารณาย่ในความสงบมันเกิดขึ้นนะใอมแบบไปคิดแบบตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นตรงนั้นไม่ใช่นไอ้ไอ้ไอ้ตัวศึกษาตัวสงเนี่ยตัวพิจารณายค่ากับศึกษาทางด้านจิตแค่ค่ากับศึกษาตัวบุคคลคนหนึ่งแต่คนคนนั้นไม่มีหรอกแต่มันมีความผู้ไอมีมีการตอบมีการรับในตัวมันไปเรื่อย ถ้าหากว่ามันสงสัยในจบจะยืนจะเดินจะนอนอันนี้มันสองนิ่งจะดื้อที่พิจารณาอยู่ดีมันเป็นเองของมันต่อเมื่อหักมันรู้ความเป็นจริงอันนี้มันก็ลอยตามธรรมาดาต่อเป็นังก์นันั่นเรีย ก, การนาในที่สงอันนี้พิจารณา่ยมความจำเอ๊ะแงดงตาไมรู้ นี่เราจะเปลนสัญญามเป็นปัญญาใช่สัญญานี่บางคนไปจำว่ามันเป็นปัญญาซะแล้วเป็นปัญญาเป็นสัญญาเป็นสังขารไม่รับจริงจริงจริงจริงจริจริงจริงจรงิร ลายศัตรูมันเป็นไอ้มันคือทัศน์เจ้าทางไหนอะเจาทางบัญญัติด้เอาทางปัญญาแต่แต่ถ้าปัญญาสามมันก็ตอบเองไงเนี่ยในพวกนั่นเขามีปัญญามากกว่าจริงแต่มันมากปัญญาสามมันมาว่งมาเนานะแต่รถนึงมันก็เาใช่ไม่ได้ของรถมันมากคือกรนมันมากในคนมีปัญญาคนไ่ซนพระนทเรีกา มันมากกว่ า, ราจริเาว่าปัญญาสามมันจไม่ใจปัญญาที่ดี <Yeah. S 1> อย่างนั้นไอธรรมะถ้าคนปกครองประเทศชาติมันมีธรรมะถ้ามันเป็นธรรมะมันก็ไม่ปกครองกันยากมันสบาย <Yeah. S 1> ปกครองอย่างดีที่สุดแล้วน่ยแต่ว่ามันทำกันไม่ได้คือคนไม่ยอมรับอย่างคนเคยมาขอของดี ต, ต, ต, ต, ต่ออาจมะนั่นแหละอาารยทรายอาจารงเสื้อยามาขอดี อาตมาว่าของดีมันเยอะหรอกไปรวมไปเอาขอเฉยๆอย่างนี้อาตมาเลยว่าเอาครับเอาเอาอยากจะไ ด, ข ด, ขด้ของดีอยากจะได้พระอยากจะได้จิตตุกไปันรูกระเบิดเขาน่ยเขาจะมาไปมองระเบิดเขาลงในภูเขาในเมืองมีอะไรจิตานมันแล้วนอกจากไม่วางระเบิดจะได้ ด, ดีกว่าอาตมาว่าของดีที่จะไปทำกันเลยนั่นดีจิตตุแล้วนั่นแหะคือดีจิตตุนะ นี่คือการปกครองอยู่ธรรมะไม่ต้องทำอะไรกันมันเป็นธรรมอาวุธอาวุธฝืกธรรมะปกครองโดยธรรมใช่แต่มันแต่มันทำไม่ได้ในโลกไม้มันยากขึอนกันมันมันต้จัดฆ่าคนผมเป็นผู้พิพากษาเวลาผมจัดสิบบ้างที่จัดก็ไม่เป็นประธานดีมันมีกฎหมายไม่ค้น ไอ้ที่นี้ไปนึกงตัวรรออไอ้ทหารบาปมันยึด อ, อ, อยู่ไอ้ขานจะไม่ประหารรถตำงวจตลอดมันก็ิตหนักิจิตสังคมแ้่ยังไงครััต้องสร้งจิตอย่างนี้อันนี้ถ้าหากว่ า, า, าเราจะเราจะปรีตัวมัน จ, จริงงลมมเลยนะแตวก็ขี้มันยืนอยู่แต่คนจะไปรรองเยอะหรอกวมนนี้นจะรองคนเดียว ฮะคลิปอะไรดะคิดอะไรครับฮะคลิปการงานนั้นน่ยอ๋ออยากเราอยากทางานได้ให้คนอื่นเขาทําเ่ีหยอ๋อครับไม่ใช่ว่าเราหนีแล้วมัมีคนทำล็อกเยอะไปทุกทีแล้วดีกว่าย่งมันทำไปแล้วนะมันทำไปแล้วอดีตมันอะไรก่อนชั่งมันจะมันดวนมันเป็นกรรมผิดใช่หรือเปล่าะมันเกรรมิดตัวเป็นเนี่ยเป็นมันก็เป็นแตแล้วคือคิดอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันเลยมานี้ยอดีตจะไปสนุนมันเลยที่มันดีก็ดีมาแล้วมันถูกมันผิดมันก็ะผิดมาแล้วแต่หมายจะไปทํานุนมันเข้าใจ แต้กามัก็ยังอยู่ใช่หมะการมันยังงอยู่ยังอยู่ถ้าว่าเราเราทาในปัจจุบันนี้นะแก้ไขถึงที่สุดมาแล้วมันก็หายไปเหมือนกันหายไเหมือนกันเป็นเราโอสิกได้อันนั้นมันน้อยลงไ้ไ้สิ่งที่เราทามันดีขึ้มัก็ให้ผลก่อนให้ผลเรื่อยไปให้ผลเรื่อยไปเรื่อยไปเะงั้นอืมมันเป็นอย่างนั้นกำใหม่เก่าเนี่ยแล้วก็สร้างกาใหม่กันที ถ้าผมอืมมันมีแ่กรรมเก่าอะไรอ่ะกรรมเก่ามันมีอยู่แล้วไม่ต่อมันต้สร้างกรรใหม่ไปเนี่มันมากขึ้นก็นั่นก็ได้รบมางทีงมเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมเป็นอย่างนี้เป็นได้ห้อาโหสิกรรมได้อ๋อเป็อาโหสิกรรมคือทเี่ยมันมากขึ้นมนากขึ้นครับสิ่งที่ไม่เป็นอโหสิกรรมนั่นเรียกว่าไม่ให้ผลอย่างไรให้ผลนใช่เมื่อเรามีสิวิธีต่อไปไม่ถึงนม่้ผอย่างพระพารีญาเคยฆ่าคนตายมาแล้ว คือฆ่าคนตายการมันจำชันจำชันก็เรียกว่าชันเต็มแต่ชีวิตจริงทนไม่ต่อตายด้ห็นแล้วหมดเท่านี้ใครหลังก็ถูกเพร้ามันไดตามเราประชาชไม่ไม่หมดในนี้ถ้าเราทกรรมนันน่มันโตนีอีกเยนะนีไม่านรอกหมดแค่นี้าแค่น้ก็ดานวันนาอังคุรมาจนเขามานแ่ครั อืมบาดแย้ปวดหิ้มหัวหน้าเจ็บป่วยเอาไปมานก็รู้อรหันต์แล้วตายแจวตอนนั้นไปไม่มีแล้วคือเดียยวไอ้กรรมไอ้กรรมตัวนี้มันมันใครๆใครเราไปช่วยไป่ช่วยปูกบ้านครับที่เราไปเข้าไปปลูกแล้วแล้วไม่ทาอะไรนะมันเป็นบ้านเขาแล้วคือกรรมนั้นเมื่อผลเสร็จแล้วยางมันก็หายไปนี่ไอ้กรรมมันหนักทีุ่ดูกกรรมดีมันหนักที่ปลกไม่ใช่คนในปัจจุบันนะ ไ้ที่ยังไม่ผลก่อนหนาไปเป็นโหที่ทำไปอย่างนี้แปลว่ <c oughs> าทำกรรมใหม่ลบ ก, กรรมเก่าเข <c oughs> าที่มันลบได้นะ <c oughs> ที่มันลบไม่ได้ก็ไม่มีเติ ม, มต่อมีแต่ชาตินี้เท่านั้นคล้ายๆก็ว่าเราเราทำกรรมแล้มันหนักแต่เราทำกร ร, กรมใหม่จนเจริญเป็นพระอรหันต์ละกิเลสได้ <c oughs> กรรมเก่าตามพันในชีวิตนี้เท่านั้ น, นต่อไปไม่มีเลิกเท่านั้นให้ผลเล่านันพอเลิ ก, <c oughs> า, กาไป แล้วพิการโทที่เรียกว่าจำดีปัจจุบันที่จะลบล้างกันเก่าได้มันต้องเป็นถึงปฏิบัติธรรมถึงขั้นอริยะใช่แต่ไหมครับถ้าปฏิบัติธรรมดามันก็อาจจะไม่ลบได้ลบไม่พอลบไม่พอย่อมไม่พอแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะขาไปแย่งที่ไม่พอเป็นต้นเราเราตามจนไม่หยุดไม่มีโอกาสจะขอไปแย่ง เมื่อต่อไปเราก็ทำกรรมนั่นต่อไปกรรมนี้ก็มีอยู่ไม่หายแต่ไม่มีโอกาสจะไปแย่งครับตามกันไปเร่เรื่อยๆบางทีก็หมดไปนะโอยทมตามไม่ทันเดี๋ยก็เลิกก็อย่างนี้ก็มีนะรอย่าอยู่นนะก็อย่างกรรมก็อย่างกรรมเป็นบางอย่างเนี่ยให้เราตจนกอย่างนี้ตรวจอย่างนะอยู่ไปนานๆนานๆบางทีก็มันก็หายครับอย่างคนอย่างคนเป็นนี่กันเถอะเป็นนี่กันแหนมเราก็มุ่งหวังเจ้าหนี้สวรรค์มันจะเอาเนี่ย โอ้ยผมมันมีแล้วขอซองเถอะจับหลายทีหลายเดือนเลยดีใจเลยยสบายเลยจับเลยเจ้านี้ผมไม่เมืจะมีมทีาลนีก็เลยสายกันได้แล้วไปได้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นมันรผลไม่ได้ครับนสนิบมันคงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยใส่ทานทา อะไรเป็นแบบาหน้าที่เออมันใกล้มันหน้าที่ในทางที่นั้นมันก็นหน้าทีเราตร้างขึ้นมาเนี่ก็เป็นก็เป็นยังยังว่าเอาแกต้งค่าสัรค์ให้โคพอกเนี่ยค่าไปเถอะเรื่องมันต้องค่าติดตัวนี่มัน็นหน้าที่ของเราไหมถ้าเราทำจาหน้าทีมันก็เป็นบาปอย่างเงี้ะเนาะไม่ใ้ามันจะไม่เป็นบาปทํางานตำหน้าทีค่าสัรค์อย่หลังเราไปจ้างมันขึ้นมันก็เป็นหน้าที่หน้าที่ที่มันถูกต้อง เราจะหาวาไม่ทกคนไม่ได้ยังก็ไม่ได้หน้าที่คือมันไม่ ด, มไดี่กฎหมายจะไม่ใช่ธรรมะนะกฎหมายไม่ใช่ธรรมะนะไอความเดือดขาดของกฎหมายจับมันมาฆ่าที่ประธานทีวที่เดือดขาดเดือดขาดทางพุทธศาสนาเอออนิจจังทุกขังอนัตตานนะั่นมันไม่แน่นี่ไอความเดือดขาดของทางพุทธศาสนาขนาด็ตองเา็นี้น เรขาทั้งโลกเอาเป็นไปฆ่าทั้งนี้มันเรศขาเป็นเพิ่มเรขาเป็นคนเดี้ยงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายถ้าไปทตามกฎหมายมันบาปยงนความเป็นจริงกฎหมายมันตั้งเปนุมนิยเรานี่ไม่ใช่ว่าขกฎหมาจากต้นเลยเพื่อปกครองคนเท่านี้อย่างนี้เป็นตยาโไอคนเนี่ย ทำงานเพียดสวรรคอคนนี้ทำงานนั้นนี่ไอ้คนนี้จะต้องฆ่าหมูคนนี้จะต้องฆ่าไก่คนนี้จะต้องฆ่าวัวมันเป็นต้นนะเราทำงานกันนะทีไม่ทำิดไมคิดสิผิดคนที่เขาตั้งนั่นแหละเงินเดือนไม่คยขึ้นไหมชาวเขา่ทุกวันัววันตนาีเงินเดือนก็ก็ไม่ใส่มันมันไ่ใส่มันดีนันแะมันดีเฉพาะนั่นนะเจ้าี่ปะาติดเะอย่างเยาแล้วรักเพมาเป็นอย่างนั้น ผมเคยมีเรื่องขันคือว่าสุายมันปล้นเงินแบงค์แบงค์ศุกยาที่ศุลยากฤษประจักรแบ่ขึ้นหคนทั้วันเสร็จแล้ววันมันลากตัวคนข้างเขาลงมายิ้มตายฆ่าถนนประจักได้ขึ้นสานไมไปย้องทางเลยต้องวางศีล เกิดสาที่นีไม่พ้นเลยผมกัเส็นงตาร้ร า, านสูงสดระสถาการษ์ทีนี้เขาก็เอาข้าคุกรอบก่อน60วันถึาาง7วันเหลือเวลาอีก7วันมันแหกคุกคนตำรวจได้ยิงตายมากคุกเลย เออโอนไปนะไอนีมคนผมไ้ไเออแข่งนกันนแกันยคริงแปลกจริงนะัไปทั้งหมดทายในัแูหลายคนันี้นะครับน่งนอันนี้พูดเรื่องถิ่าความเป็นอยู่ของโลกเรานะความเป็นจริงก็เรียกว่าตามธรรมชาติธรรมดาของโลกเราเกิดอยู่แนี้ครับคน แต่คนนี้มันติดันมันเป็นยุงข้ามันเลยมันฆ่าพ่อเมีหมดคนติดยิงมันก็ะมุดอันจ้บาปอะไรฆามันยิงเธออะไรเหมดไม่ยุ่งก็ไปหมดคนเทียบเยอะมากเลยยุ่งมีทางอะไรต่ออะไรทางนั้นอ่ะอย่างนีเป็นต้นท้ามันหมดแต่ว่าพ่อเมีหมดเราตายไปก่อนยุงเงิเยอะเลยมันเป็นอย่างนี้ม่ทางที่ดีเลยว่อะไรทัศน์ที่มันไม่ปลอ้ภัยมันไมาโอย่างดี มีหลายอืมดูดูมันข่าวแต่เรื่องมันคิดมันก็ติดมันก็ติดพูดด้านธรรมะโลกมันยุ่งโลกมันเรื่องธรรมะมันก็ต้องเป็นอยู่อืมเรื่องธรรมะก็เป็นอยู่เรื่องชั้นคมยังก็เป็นอยู่มันก็ต้องเป็นกันอยู่อย่างนี้น่ะียเ่นไปครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติการงานราชีอย่างเนี้ยนะโลกนี้มันก็ยิ่งวุ่นวาย ใช่ยัางายุกอยากงเกมีหมามาต น, นะตมันก็มอยากเป็นบ้ามันเป็นงมนนันนะมันเรื่องเรื่มันก็วิ่งไปบนเน้ไอตัวนี้อไอสุนัขมันมีากาคนมันเสียหายอย่างนี้เป็ น, น, นต้นจะทไงมันฆ่ามันทิ้งนั้นแหล ะ, ะมันมีพิษถ้าย้อนกลับมาที่เรานะ คิดของพวกเราเนี่ยจนฆ่ า, มาหมาบ้าต า, า, นะาออยจ น, น, นดีดนนะออนน ก, ก, าากว่าเรามีคิดนะไอ้ความจริงจริงคิดของมนุษย์นี่มันมากเหลือเกินีเดียวนะถ้าไปมองคิดของคนอื่นมันก็ดฆ่าก็ตายถ้ามามองน้องมาเดี๋ยวเรามีคิดอะไรบ้างไหมที่จะไม่ยอมฆ่าตัวเรานะมันคิดเยอะจริงองเนี่้อ ง, องอเ็นธรรมะตรงไปตรงมามันก็เป็นอย่างนี้ยังเรื่งการปฏิบัติธรรมะนี่มันจึงเป็นของยากเราว่ามันฝืนมันฆ่าแต่ว่าด้วยปัญญาของคนเนี่ย อย่างนี้อย่างคนที่ว่าถ้าจะบวชจะเป็บวชจติดอันนั้นก็ไม่ได้จะมีใครจะบวชได้เนี่ยก็บวชกันนี่ได้จะไม่บวชกันนี้ก็ไม่ได้จะเป็นคนดีมทุกคนได้ไหมก็ไม่ได้จะเป็นคนชั่วทุกคนออืกไม่ได้โลกมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เปนอยูอย่างนีเรื่องนี้โลกอย่านถ้าใครมีปัญญาก็ไก่เตรียมพยายามให้มันน้อยให้ห้อยไม่ติดมันของบุคคลนี่ไม่ใช่เรื่องบังคับอันนี้มันเป็นอย่างนี้ ใช่ปล่อยให้ยุคนี้มนุษย์ทั้งหลายจะมียากมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่ลำบากอย่างนี้เป็นต้นควบคูกับพที่สวด่อันนี้เขาเรียกว่าลักตร้ามนุษย์เนี่ยให้มีความเย็นเป็นสุขโลกนี้มันก็ไม่ต้อผิดอยู่เนี่ยนอนละมันก็เป็นอย่างนี้มันมีได้หลายอย่างอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าจึงให้ดูโลกดูทั้งหลายจงมาูโลกนี่อันน่าจะการดรา อันพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่ครูหาข้องอยู่ไหมแนะ่มันใจใจเงนินเงินะถ้าเรามาเจ้า้องเงินมึงฆ่าครูคูฆ่ามึงมึงฆ่าคูาครูฆ่ า, า, า, ม, า, า, ม, า, ามึงอย่างนี้ต้ไม่จบแล้วพผู้เทียรร่ยวเด็ดขาลงมาสู้ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้สู้ทั้งหลายก็เหมือนเรานั่งอยู่นี่แหละสู้ทั้งหลายไม่ใช่เวีนไกลแลจยจงมาดูโลกนี้อนนาสการุตราชรสอันพวกคนเขาหมกอยู่แต่ครูหาข้องอยู่ไหม ทั้ง้องให้ทั้งทุกยงากจะอยู่ในโลกนี้แล้วไม่อยากจะไปที่ไหนลนะไอ้ตรงนี้จะไปทำมาเลยมันทุกข์ผลที่ไปแบะมันทุกข์ขึ้นมาไปทำสิ่งที่มันทุกข์ไม่อยากจะมันทุกข์ไปทาสิ่งที่มันผิดไม่อยากจะให้ผิดแต่พระพุทธเจ้าเถอะทาทั้งหลายทั้งวเกิดพรานะสันตามใจเงื่นจะไปทำเรมันทุกข์เกิดมันก็ทุกข์สิเงื่อนทมรรจริงือธรรมะของท่านก็ไม่มีอนาจอะไร มันกไมีตรงอยู่มันก็เป็นอยูนันแหละแต่ใครแใครที่ไม่มีปัญญาต่อมุกอยู่คนบ้า อ, อย่างเงียบไหวไตเกิดเงียนไหวไตย้วนยังไงวักดวกดระจัดมาทุกคนใช้ประยักษคนเอาทตาใไม่เกิดแล้วว่าบาปหลายถ้าพุทธเจ้าอย่าต้องเกิดมันมาเลยตอนนี้เราหัดแล้วหัดเราอย่าเกิดมา อยากไปแต่พันธ์พา น, านุไม่อยากจะไปแล้วกลัวจะเห็นหน้าคี่หน้าน้องหน้าลูกห น, น้าล้านนะไม่อยากจะไปคือมันไม่เห็นนั่นเองเป็นต้นนะถ้าว่าไม่เกิดนัน่นฉันว่าบาปมากโลกเราทุกๆอย่าไม่เกิดนั่นดีดูที่เราเกิดจะ ม, มีอะไรไหมใครมันสบายไหมคนรวยทุกไห่คนรวยประทุกคนจนทุกไหมค น, ค, นคน จ, น ก, ค น, ค น, จนกระทุกเด็กมันก็ทุกแบบเด็กหนุ่มก็ทุกแบบหุ่แกก็ทุกแบบแก รอยก็ทุกแบบรวยจนมันก็ทุกแบบจนมีอำนาจก็ทุกแบบมีอำนาจไม่มีอำนาจก็ทุกแบบไม่มีอำนาจที่พราะอะไรเกิดมาแล้วมันมต้ออยู่ในนี้นี<ม>่จะทำ <พบ S 1> ไงมันทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าใสนทุกอย่างเนี้ยอยังไงคนเราพอยังไม่เห็นพ อ, อยังนี้ศึามมากษาธรรมะไปพอบเพียมันหอกเพราะฉะนั้นอย่างอย่างวันเกิดมีแล้วไม่ควรหลุฉลองควรจะไว้ทุก ใการการที่ฉลองก็คือมาที่แจงให้ที่จับอะนีละฉลองนี่ยอย่าว่าว่าที่เกิดมเป็นมนุษย์ที่ทนว่าฉลองก็ถือว่ามันดีแล้วมเป็นมนุษย์นะแต่คนก็ถึงวันเกิดมาระมาฉลองเาจัดมยนะนี่ฉลองวันเกิดเป็นปังไง ก, ก็เอาเล า, ม, ามันกัเนเ น, น เนี่ยไปย่ำมีวามเกิดราน่ไปส่งเิมมันเกิดขึ้นมาอีกนะถ้ารงมันเกิดแต่เห็นเห็นโทความเกิดเกิดมันเป็นอมันเป็นชาติชาติมันเป็นภพบดีมันเป็นชาติมันมีภพนมาคือความเกิดมีความเกิดอย่างเดียวอะไรมันมีมาหมดทุกอย่างมันเกิดมาจากความเกิดแก่หยุม่นด้ใช่ไหมมันจาเป็นบังคับจับม ในข้างพระพุทธเจ้ามีพรามฟังธรรมเหมือนการฟังดูทอควนเนี่ยทันที้ี่งบาปมุกเลี่ยตามดูเกี่วาวบาปทั้งนั้นๆังอุดอัดเข้าใจแล้วแม่มองไปทางหลังนีแ่บาปเทั้นพอเราทำมาเนี่ยเองเรียงเีบาปอย่างนันได้แล้วทำจนปัจจุบันมีแต่บาปแค่ทำต่อไีก็บาปทัปป้งนั้นปิดเลยพระพุทธเจ้าต่ับาปทั้งนั้นตายจะ ท, ทำอะไรไม่ได้ There, DJ, ประเทศจบลงพวกรามเค้กลาวพ ok ะระภูมิมีแบานั้นข้าก็ผมสงสัยแตแล้วว่าที่แต่บาปคนนั้นใจไม่ค่อยสบายจะทำยังไงผมเป็นคาราวาสไม่หาจินก็ไม่ได้จินลูก <ad> ก <episodes> ็ม <ished Ching> ีมีก็มีอะไรก็มีจนเป็นคาราวยังไม่มีบวชใจพุ่มซันยังไงครัมันไม่แย่แต่มันบาปคนนั้นกรามบาปมันมีแตท้าทุกตัวเลยทบาสมาจะบอก แต่ยังไม่รู้แต่ถ้ามันรู้จริงจังมันไ ม, ม่กล้าเนาะทาบาปนะั่นอันนี้เธอยังไม่รู้มันจริงเธอจึงกล้าทาบาปคาราวาสุดจำเป็นอย่างนั้นสาคพดเปลืองบาปโอกมาต่เพราะสารพัดทำบาปมานะันถึงเป็นอย่างี้ไม่ได้จบบาปทาปนี้รู้แล้วเพาเลืกองมันคาราวาสุดจำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบาปก็จริงนะ่ะอะไรมันถัดข้องมันจําเป็นที่จะต้องทำเลยมากนะ ก็ทําได้เจิทำมากรัตนความเจริทำมากเรื่องยิง่ำไว้ไอ้พรราไว้เจริทำให้าใหมากที่มันจำเป็นที่สุดเด็กประสามใช่เจรทำมากมีค น, นยิ่งจำไว้นะพอที่สองเี่ยทาไว้บอก <c oughs> โอ้ตามดูดีใจเลยนะไม่ได้ทำเนี่ยมันระบายออก มันปิดซึ่งข้างหน้าข้างหลังมันทนไม่ไหวมันใจจะขาดมันไม่ได้ทำเยจะลาให้ทน้อยใจทำในอดีตพอไปด้พอพยายามเจตสังใจเขามาดูปฏิบัติทรมันซึ้เป็นทีนอบก็ทำเน้อโดยคนระวังสติอยูู่กทำลูกจกวันเงนผิดหรือูจพอพว ก, ก, อกวั น, วจว น, จวนบจต้องทพราะควาเป็นอย่างนี้ที่ทจะวงรู้ แต่แค่ก็มาควรจะทำหรอกไม่ทำบ่อยๆนานตามตื่นทำสองอย่างเนี่ยทำแจ่น้อยกับไม่ทำบ่อยๆมันดีเข้าจิตใจก็พลอยเป็นทำม่เกณฑ์โทษที่ว่องผัวสมาตเ่อมเสียปรยช น, น์ในการลักของผัวสมมาตร ก, กนต่อมาค้นจิจธทําปฏิบัติมากได้เพราะว่ามันทำแต่น้อยจะไม่ทำมากจ้ต้องทาบ่อยๆไม่ไดนะ้ไม่ทำบ่อยการทำแต่น้อยกับเป็นทำบ่อย <Survey> มันหมดได้นะใันหมดได้เท <aki> ่านี้เพียงความเหื่อาราเบ่อยผมท่านยายป็นบาดท่นั้นท่านงกับาดที่กระบมันบาดไปหมดที่ตาบางคนกดแผลอกไปเลยไม่นายแล้วอกีาวันยีบาดคนเนี่ยจะคนใช้แ้วลูอินทรีย์ของตันคนนี้ใสของทานผ่ท่านผนยาให้โอกากที่เปนาอย่างนั้นมันก็ไปได้เนี่ยความเสือมจริงเว่ามันไม่น่าสิงที่ว่าเรามันหนักขอเราไปถึงมันหนักมันม่ถึงของหนัก ทะเลมันชัดเลยแล้วมันกันไม่ย่าปปนปลาปะาทู่ยปาลาทะเลนี่น้ำนมมีดำ ม, ม, มันเค็มเนี่ยอนะัศจรรย์มันไม่เค่พูเสือกตามนะนี่คือคนทบาบ้าใช่ไหมมันชวนอัศจรรย์เหมือนกันแล้วคนนึกถึงปลาในทะนเลน้ำเค็มเลยตื่นนะมีแต่ปลามันอยู่รนแต่ตามเนี่ยก็เพราะทำไม โอ้เขาปลาเนา้นเกิดมาในน้ำเสียงเดี <c oughs> ยวนะเขาปลาเก็เปิดในน้ำเสลยงนะลูกเขเกิดในน้าเสียงไม่เคยพบน้ำเสียงเด่มเพราะเสียงเดนไม่ไดสบายเลยในดูงิต <c oughs> นี่น้าตากของคมามน้ำเสียงเด่มันแทรกุลายตายเลยตายเลยมีบางคนที่ทาบาปใจเปีงบาปเมื่อพูดในละบาปเนี่ยทำบุญเหมือนตายบางคนดูนิหนาเดี๋ยวมันจะได้นะะ่ะอย่าง แ่มันอะไยเปนมันูเ่งอะไร่านีมันก็เป็นขึ้นมามีการปฏิบัติมันยากอันนี้กาัฉันนันหามันมันเคยทามามันของมันยากแต่มันก็มัยากมันก็เป็นเอย่างนี้่มันทได้ทา้แหต่ก็ทพยายามทามันจนชืซะก่อนมันเป็นีแต่ว่ายังไงก็ยอมรับเลยเถอะเอออพวกพัที่จะมาไปรู้เทว่ามาลอทํา ผมจะพยายามนี่ผูดมาคผมจะพยายามมีปัจจัยอะี้มันพยายามบาคนที่ในใจไม่พยายามเลยนั่นแหละในมีประตูแล้วนี่คมันดู่ทว่าผมจะพยายามนี่มันไ้5สเอรนลยไอความพยายามตองคนที่ไม่พยายามนัตามกันเยอะะคนที่ไม่พยายามเลยมันเป็นอะไรอะไรกับตเนี่ยเรื่องสัมพนธ์กับประตูแล้วคนที่พยายามันี่มานยังอ่ะมันยังคนขวานหนตาข้างมันบอดข้างเยอะแต่ละ คนเห็นใบม้สา ย, ยามันบ่สองข้าเลยอย่างนั้นเลยผู้เชี่ยวชา่เกจะตีสอนว่าเรานับถือพุ้เชี่าสนานนี้เราเป็นคนฟังแลากได้ต้องฟังทำไมด้วยซิ่งเป็นฟังคอเรายัางไม่รู้จุดที่จุดคนนั้นคนฟังถ้าฟังก็ต้องเป็นคนฟัง อยางแนั้นจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นไม่น่าอย่าไปตัดสินลงเพราะเรายังไม่รู้แล้ ว, ว, าวามาฟังมันยังไม่ไมรู้รับไว้ไปดูก่อนเป็นที่เชิงแนวดูให้ภาวนาเรื่องของธรรมะพุทธศาสนาเรื่องภาวนาทุตามายะปัญญามันได้ความอย่างวันนี้ก็มีปัญญามันรู้ขึ้นในหลายอย่างไหมวันนี้จร่งเมนุ่ยโผล่เลยรู้ไม่ได้ยินก็ได้ยินขึ้นสิ่งที่มันรู้มายังโมัอยูม่ยมันก็สว่างขึ้น นี่ยคือสมาธิเนี้ยัญามัเกิดอบกันฟังกินสมาธิปัญญาเดี ย, ยเราไปคิดออกจากนีไ้ไปพยยามคิดคิดในเดี๋ยวในฟังนีงน่แหละมันจะเพิ่มความรู้ขึ้นมาอีกนะต่อมือนี้เป็นบทเรียนวิจัยปัญญานปัญญาเป็นเรื่อการคิดและการฟั ง, น, งนะปัญญาเก็บว้ไม่ปล่อยทิ้งแบบปัญญาแบกบ ไมได้มันเป็นโลกีในเมตายีก็ติดดีไม่ได้ไม่ยอมทิ้งดีปัญญานี้นะถ้าดีแล้วก็ไม่ยอมทิ้งดีดีอยู่นั่นแลรจะว่าไม่ดีก็เอีอยู่ลเนี่ยนะมันก็เลยเป็นของไม่ีได้นะภาวนามยาปัญญาโนที่ปญญหมดจะข้ามโลภีทั้ลายแล้วนี่นะงนักหนดจิตรวมถึงที่มันนะ มันรูมม้ความสมุนของดังสามจนมาให้ปัญญาเกิดอย่างนั้นท่านจะเดียวหาปัญญาหรือมนันติ้งกับปัญญานั้นมันจะเป็นญาณนึงนะคือมันละเอียดกับปัญญาเข้าไปแล้วมันจะเป็นญาณเป็นญาณ น, นี่คือมันรู้แปลกๆสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้มันรู้มันรู้คือมีสายของมนุษย์ที่รู้ต่อไปที่จะตามไม่ได้ทานไม่ถึงเป็นติน้งญาณหนึ่ง จะเป็นอดีตทางสยานอน า, าสยานอดีตทางสญานปัจจุบันทางญยานยนอดีตเองมันรู้ทางอดีตนะี่ปัจจุบันมันรู้เรื่องในปัจจุบันอนาโต์มันตระเรื่องของอนาศพศนะตามจรอย่างนี้ก็เห็นว่าเป็นว่าอดีตเนี้ยถ้าตามปัญญาเท่าเราทามาไดมามันทามาแล้วแต่ไม่ได้ความรู้อะไรที่มันเลยปัญญาปนปัญญาอย่างละเอียด ที่สุด้องปัญญาไะอดีตเป็นคนฟว้ซึ่งใช่ไหมนะคนฟุ้องซ่งเพราะอะไรที่ดีมันก็ดีมันี่มันหายไปที่ไหนแล้วที่ผิดต้องแตผิดมันมันหายไปที่ไหนแล้วนี่เออนี่ยังไปถรงโน้นจ้ะก็เดีย ว, ว่งหมดลาระแล้วอดีตนี่นะทีนี้ <c oughs> ที่เราอยู่ตั ว, วันนี้น่ะมันก็เป็นผลของอดีตแหละอดีตเป็นที่ ผนของอดีตเียวนี่คือปัจจุบันนี้มันปฏิคือ่เี่ือกบิดว่จะมอหลอนาคตอนาคตงนปัจจุบันนี้พุเจาอนมาให้รู้ปัจจุบันนี้ดีกว่าถ้ารู้เราดูปัจจุบันนี้เราจะอยู่ในเหตุผลเหตุอะไรเหตุของอนาคตผลอะไรผของอดีตนี่นันเหตุผลนั้นจพวเหตุผลที่ไหนมันอยู่ปัจจุบันนี้ ว่าท so ุกว no. ันเราทำอะไรอยู todas, no. ่เราคิดอะไรอยู่ผดูด้วยปตุลาสมัอะไรไม่อดีตไม่ตะหงอนอนาคตไม่ตะห่วงวันเพราะว่านันมีเหตุผลออกจากปัจจุบันนี้นี่ของพระโยคาวจรเจ้าประโยชนปัจจุบันนะอนาคตจะเอาองเงี้ยเออแน่เนาะอนาคตจะเป็นเยรงไหนนี่ยนี่ังนเนี่ยทั้งอนาคตยังไม่มาถึงนะให้มันแน่ยี่เนปัจจุบันนี้ทำนันเนาะอยากดอนาคตเป็นูปัจจุบันนีสิ ก็เพราะอันนี้มันจะทำให้อนาคจจะเกิดขึ้นมาถกระดูตรงนี้ไม่ต้องเสกผัวใหญ่อนาคจน์แล้วแต่มันรู้แต่ว่ามันรู้อยู่ว่าอนาพจมันมีอดีตมัปัจจุบันมันมีว่าเหตุผลมันมีแล้วงรู้อย่ามีสำเนาไปนแกลอรี่ไรมันนะทีนี้เราก็ไอการกระทำของเรากรรวมในปัจจุบันนเออมันกรรวมกับมันเรื่องมันก็น้อยเท่าไหครับเราก็รู้จักจุดมันเดแต่เรารู้จักจุดเราก็นั่งยืนไปจุดมันนั่นแหละนะ อารมณ์อไที่เกิดเป็นมากันยังใช่ไหมพวกนี้ฉันจะไปกรุงเทพมองนี้นเรารู้จักนะไม่ว่าเฉยๆหรอกทางในใจมันก็คิดว่าไม่แน่ตัวความนมันไม่แน่แต่พวกนี้เจะไปตรงนั้นนะว่ารับปากกัน่ยอกัางในว่ทำ้มทำไมเขาเขาไม่ติดนจัง อย่างทูมี่ไป่องที่นวมันไปก็ไปเข้ว่าที่ควรจะไปมันมีทางควรจะ ไ, ไปทั้งไม่ควรจะ ไ, ไปเนะี่ยอย่างทกมี้เราปวดท้องเขานะมากๆขไปไม่ได้เห็นเพราะมันมีแน่นอนองนั้นยานจังนักศาสตรและใ น, นจังมันเป็นของแน่นอนอนะยูนะ่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแไปไหใจมันมาก้นีเรียว่อยู่ในธรรมะนักาที่ น, นจังยานจังเลยอย่างนี้ นี่คือการปฏิบัติที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้มันกรกัวบานั่งเียมของนรอบเสมอนันอันนี้ปรียวว่ามันเกิดเกิดจากความ่นั่งเดียวทำมันูเื่อมันมสงบแลมันก็สเรตาเยอะแค่นจิตบางคนไม่ต้องหลับตามันก็สงบหลับตาม่สงบลืมตาไมสงบมันก็เป็นเพราะอิเหตมันเข้ามาทุกครั้งนั้ไม่ใช่ว่ามันเข้ามาจริงๆเราลืมตาหลตาเข้ามานะครับ สค้คพีขาวขาวแกงใสกว่าด้วยใจใช่ไหมเ <c oughs> พราะกินนิ่งขนาดนี้ินเลยเป็นเนื้อและเนื้อข้าวทำไมถึงเป็นงั้นนะเพราะว่าสินทั้งหลายอย่างนั้นมันแอบเกิดที่ตรง น, นั้นเรียกว่าพยมาเรื่งองเราจะปลูกผักแค่แปลงหนึ่งนะเราทำแปลงมาัาให้ดีนะปลูกผักลงไปแล้วก็ลดหน้าขอปุ๋มาายมาใส หญ้าเห่มูันที่งไม่ต้อ ง, องมกมันก็มเกิ่ไมไม่ยุ่งยุ่งน่นนะตรงที่เราต้องทา น, น, นเนะทีเราจะเข้าใจถอนยาไม่ใรู้เออาเหู๋พเอาผักผัดัดก็เอานี่มันก็ไม่ได้อะไรควรไม่ควรผักควรเก็บไว้ ย, ย, ยาก็ถอนออกแล้วเป็นน้ำตาลละบาบถอนมันดอกมั น, นควรจะจะผัดเราผัดเราก็มีโอกาสที่จะโตขึ้นจะใหญ่ขึจะดีขึ้นเท่านั้นเนี อย่าว่าเราทำดีแล้วไม่มีอะไรมานาแน่มันยิ่งปวดนะผักตามใจแมลงยิ่งมากเท่านั้นเนี่ยหญ้ามันก็ยิ่งมาเกิดเท่านั้นเนี่ยเราจะคนรักษาผักจะดูไหมว่าอะไรควรไม่ควรมันอะไรควรละอะไรควรเอาไหมมันจะรอชิ่งไปนั่นเลยเอาเป็นหญ้าท่านผักมันจะดีไหมเป็นนา่ของเราจะดีใจขอเราอย่ดงๆนะอย่านั้นผิดเราก็หยุดไม่ได้หรอกมันต้องทำตามหน้าที่มันมีช่องอย่าง อย่างจะนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วมันมีธรรมะอย่างนี้แล้วมันมีพอปฎิบัติอยู่ที่นั้นเนี<ม>่ยสุขละสิ่งได้นั่นท่านเรียกว่ามันอ่าเป็นภาวนาไมายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาอันนั้นเป็นท่านโลภุตระจะไปโลภุตระรำเนี่ยมันจำเป็นนะไม่ต้องถามเนี่ยนันไม่จำต้องถาม ทำไมจะเปสอบถามคือมันในเรื่องที่จะอถามั่นเองครับอในเรื่องที่จะอถามคือมันหมดเรื่องหมดเรื่องงไงไรๆเลยนะของเรานีปัญหาใไปเราหาบแล้วั่นก็หมดเรื่องที่จะทำบุญนนันเนี่ยมก็ง่ายจะเาปรียบกันมามันอยู่ในนั้นะเอออย่างนั้นมัก็สงบมันหมดเรื่องมันก็สงบแล้วก็ตรงอยู่ มีอะไ ร, ะก เ, ราาก เ, ะเกิดจมากฏินามาเลยมีอะไรอยสบายฉะนั้นเนี่ยหนึ่งาการทรงานซีไยากพูดก็ไม่ค่อยยากนะฟังก็ไม่อยากแต่ว่าปฏิบัติที่พี่หน้าของไม่ยากทำของยากไม่ได้ทำพระพุทธเจ้ า, จากมมาม็มีคุถค่าในเยามหน้าอย่างนั้นธรรมะที่มีปนถุค่าเป็นหยมหน้า ทำคนทำชมพูนตอนทำชมพูมาละชมพูอะไรก็ก่จะได้ทำาว่าครับในเมืองไทยต้องมีอาชีพคนแต่ว่าท่านตัวในเซวาเนน่ะท่านบอกเองไม่ได้บอกยุนเซวาเราต้องมีแง่เราไม่เสียอยู่ถ้ามีปมีคนตายนะมีบ้านคนต้มีปราช้าอยู่ไม่าย่างนั้นอม ผลยังมีอยู่ในโลกภาริยาบุคคลก็ต้องยังมีอยู่เออเกิดมาแล้วก็ต้องมีตายไหมแน่นอนเลยค่าเกิดแล้วต้องตายอย่างนี้ดีทั่วาบุญนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมีอยู่มาผลถึงจะมาที่ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นที่ไหนต้อมีดีแน่ไม่ต้องสงสัยแล้ว